บุกทูยี่สิบเอ็ดอนดเซตการสนทนาสองคราเทคปกเวอร์าคุณมาจากไหนคะโคโคตปริฮายเตมาจากบาเซลค่ะ อิสบาซลาปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาซล์ el, ย่ส ว, วิสซีดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะออลิวัมส์มิมพริตส์ตาวิตีก็สปูดมิลเลอร์ยาเขาเป็นคนต่างชาติออนเยตูย เขาพูดได้หลายภาษาก o อรีเวย iko คคุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะอลิสเตอร์วิชทูเคยไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะแหนบิวสมทูก a ยเจลันน แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะวัอนทเดคุณชอบที่นี่ไหมคะค า, นาคนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะเจโลจูดี้ซอปริาสนี และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ In Polkraina mytudiuś คุณทํางานอะไรคะ k a j s t e po p o l i c u ดิฉันเป็นนักแปล Sam p r y w i a l e t ดิฉันแปลหนังสือ กระวายย้ำค่ะคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะแต่ามีทูใคไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยคะ่ะเนื้อสัมโนยตูดิเจน่าเนื้อสัมโนยตูดิโมชและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน in tam sta moja 2 otroka.